บททีสิบสามปะดมูดุกิจกรรมปานุลุ <Pan ulu. S 2> มาท่าทำอะไรมารธาเยมปันเชสสุนดีเธอทำงานในสำนักงาน เฟิิตเธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์อาเมคอมพิวเตอร์ปนิจสตมาท่าอยู่ที่ไหนมาถเอกระบดีที่โรงหนังซเทเตอเธอกำลังดูหนังอาเซต ปีเตอร์ทำอะไรปีเตอร์เยมปันเจสตาดูเขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ่ะเนูยูนิเวอร์ซิตี้โลชั่นดูตินนารูเขากำลังเรียนภาษาอ่ะเนูภาษาอะไรชั่นดูตินนารูปีเตอร์อยู่ไหนปีเตอร์ยักกะดับุนนา ที่ร้านกาแฟคาเฟโลเขากำลังดื่มกาแฟอัตนุคอฟีตากุนนาดุพวกเขาชอบไปไหนวาลักกี้อยากกิกาแฟเลยดมอิสตม์มไปดูคอนเสิร์ตกานะกเชรีโลพวกเขาชอบฟังดนตรี วาลคิสังขีตมวิานเตพวกเขาไม่ชอบไปไหนวาลคิยักววิต์มุนดูไปดิสโก้ดิสโ ก, ก้กพวกเขาไม่ชอบเต้นรำวาลคินัดจ์ย์มาเรมวิชต์น์เ